อาจารย์นี้ท่านมาจากเชียงรายฝึกสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนดีนะหลวงพ่อเทียนเป็นพระที่ดีที่สุดองหนึ่งเลยไม่เป็นรองใครทั้งนั้นแหละหลวงพ่อเทียนฝึกตัวท่านเองไม่นานใช้เวลาไม่นานไม่กี่เดือนอะนะเข้าใจธรรมะก็หลวงพ่อเคยเจอหลวงพ่อคำเขียนท่านเล่าหลวงพ่อเทียนนะ่ะขยับพวกพระพวกพระหลุดไปแล้วพอมาหลังๆเนี่ย ลูกศิษย์ลูกหาเริ่มรักษาคำสอนของหลวงพ่อเทียนไม่ ไ, มได้มันเหลือแต่รูปแบบขยับถูกนะขยับถูกแต่จิตมันเดินไม่ถูกหลวงพ่อเห็นตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเทียนยังอยู่แล้วตั้งหลวงพ่อเทียนอยู่วัดสนามในก่อนเคเข้าไปไปกราบท่านเข้าไปเห็นคนเต็มศาลาเลยนะศาลาท่านแต่ไม่โตมากเป็นศาลาไมนะ้ท่านนั่งสอนขยับ หลวงพ่อเทียนขยับนะหลวงพ่อเทียนตื่นลูกศิษย์ขยับนี่ลูกศิษย์หลับปริยาท่าทางไม่ได้ต่างจากอาจารย์นะแต่จิตไม่เหมือนอาจารย์ตัวนี้ตัวสําคัญเลยเพราะว่าเราเรียนกันไม่ได้เรื่องจิตเรื่องใจพอเหมือนแต่รูปแบบนะมันมันไม่ได้ของแท้ไว้แท้จริงหลวงพ่อเทียนท่านสอนเนี่ยท่านสอนให้ขยับเพื่อจะรู้สึกตัว รุ่นหลังๆมาสอนให้ขยับแล้วให้เพ่งใส่มือไว้ตอนให้เพ่งมีการสอนก่อนนะต้องเพ่งก่อนนะรู้รู้เลยไม่ได้ต้องเพ่งไว้ก่อนเมทั้งที่หลวงพ่อเทียนไม่เอาเพ่งนะหลวงพ่อเทียนจะเอารู้สึกรู้พ่อเทียนรู้สึกรู้สึกรู้สึกอยู่3เดือนหลวงพ่อเทียนก็พ้นไปแล้วของเราเพ่งหลายปีมันก็เพ่งอยู่นั่นแหละใจก็ติดการเพ่งแบบเดียวกันนะอย่างเราไปดูท้องพองยุบเนี่ยเราก็ไปเพ่งใส่ท้อง เราเดินจงกรมเราเพ่งใส่เท้าเรารู้ลมหายใจเข้าออกเราไปเพ่งใส่ลมหายใจเราไม่ได้เอาความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวต่งางๆเป็นของสําคัญกิริยาอาการต่างๆไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรเป็นแค่เครื่องช่วยเท่านั้นเองนะงั้นเวลาเราขยับมือหลวงพ่อเข้าไปดูที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนตัวท่านนะท่านตื่นโปร่งเต็มเหนียวเลยนะจิตนี้ไม่มีตกลงมาเลยนะลูกศิธิ์มีสองพวกพวกหนึ่งขยับไปคิดไป ไม่มาท่านี้แล้วไว้เดี๋ยวต่อไปต้องท่านี้เดี๋ยวต่อไปต้องท่านี้นี่พวกที่ยังไม่ชินมีพวกหนึ่งชินนะขยับไปจนใจนิ่งเลยใจเคลิ้มอีกพวกหนึ่งใจยังไม่ชํานาญก็เพ่งใส่มือไว้เพ่งคือถ้าไม่หลงไปคิดว่าจะขยับท่าไหนท่าไหนนะก็แอบไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องปฏิบัตินี่พวกหลงคิดพวกหลงเพ่งก็คือเพ่งใส่มือเพ่งไว้ที่มือนี่ ฝึกไปเรื่อยๆใจมันจะเบาๆนะใจจะนิ่งๆโล่งๆเบาๆทื่อๆติดสมถะนั่นเอง mm hmm. หลวงพ่อเทียนนไม่เอาสมถะเลยนะกระทั่งพุทธโธยังไม่เอาเลย mm hmm. ท่านต้องการให้รู้สึกตัวการเพ่งไม่ใช่รู้สึกตัวควรละเรื่องกันเลย mm hmm. การเพ่งเป็นการสร้างพบขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วจิตก็ไปติดอยู่ในพบอันนั้นจะไปเห็นใจรักได้ไงทุกอย่างนิ่งไปหมดทุกอย่างมันนิ่งไปหมดเลย เพ้าการที่เราจะขยับสมมติเราฝึกสายหลวงพ่อเทียนหรือพองยุบหรืออะไรก็เหมือนกันนะใช้หลักเดียวกันนี่เองเมื่อเราขยับไปเนี่ยจิตเราไหลเข้าไปเพ่งมือเรารู้ทันรู้ว่าเข้าไปเพ่งแล้วเราขยับไปจิตเราเผลอไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันให้รู้ทันจิตที่มันเผลอไปจิตที่มันไปเพ่งไวจิตที่เพ่งเนี่ยไปรู้แล้วมันก็ยังเพ่งอยู่นะต้องค่อยๆคลายออกค่อยคลา ย, ออ ย, ย, ายมันออกแต่ตรงจิตที่เผลอนี่จิตนี้ไปคิด จิตนี้ไปคิดแวบถ้ารู้ทันนะจิตจะตื่นขึ้นมาหลวงพ่อเตียนท่านหนึ่งสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดถ้ารู้ว่าจิตคิดนะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดรู้ว่าจิตมีอาการคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดการรู้เรื่องราวที่คิดนะหมาแมวมันก็รู้นะอย่างไอ้เหลืองมันคิดอะไรมันก็คิดได้นะมันก็รู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรนะ ย่างมันอยากจะกินไข่เจียวอันใหญ่ๆนในใจมันก็สร้างภาพนี้ขึ้นมันคิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่รู้เรื่องที่คิดนี่ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์หมาแมวก็รู้ได้แต่การรู้ว่าจิตชิดเนี่ยตรงนี้แหละจะข้ามพบข้ามชาติก็อยู่ตรงนี้แหละถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทา ง, งการปฏิบัติต้นทางนะกลางทางปลายทางยังมีอีกนะ <c oughs> ต้นทางก็คือจะตื่นขึ้นมา จิตของเรามันจะหลงตลอดเวลามันจะคิดมันจะฝันตลอดเวลาฝันไปเรื่อยๆนะเราตื่นแต่ร่างกายแต่จิตใจของเราไม่ตื่นจิตของเราฝันทั้งวันทั้งคืนคิดไปทั้งวันทั้งคืนหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไร่หลงอยู่ในโลกของความคิดมันจะเกิดตัวเราขึ้นมามีเรามีเราขึ้นมาเมื่อไร่รู้ทันว่าจิตแอบไปคิดจิตจะหลุดออกมาจากความคิดมันจะตื่นขึ้นมาแล้วมันจะเห็นเลยกายที่กําลังขยับนี้ไม่ใช่ตัวเรารูปมันเคลื่อนไหวอยู่ นะจิตใจที่วิ่งไปคิดจิตใจที่วิ่งไปเพ่งมือจิตใจที่ทำโน้นทํานี้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศ ล, ลก็ไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันได้เองเนะี่ยถ้าจะฝึกแนวหลวงพ่อเตียนนะขยับแล้วก็รู้สึกนะรู้สึกก็คือถ้าจิตไหลไปคิดปั๊บรู้ทันนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดแต่รู้ว่าจิตคิด2 อ, อันนี้ต่างกันนะค่อยๆทาความเข้าใจตรงนี้ถ้าเข้าใจชัดนะการปฏิบัติจะสั้นนิดเดียวเลยสั้นจริงๆอย่างที่หลวงพ่อเตียนบอกเลย หลวงพ่อเทียนกับหลวงปู่ดูลเนี่ยไม่เจอกันนะแต่สอนเหมือนกันเปรียบเลยสอนนั่นเดียวกันหลวงปู่ดูลสอนเลยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ใจของคนเรามันชอบคิดแอบไปคิดทั้งวันทั้งคืนคิดแล้วมันก็ลืมกายลืมใจตัวเองก็ไม่สามารถเจริญปัญญาได้เพราะไม่รู้กายรู้ใจจะเจริญปัญญาได้ต่อเมื่อคอยรู้กายรู้ใจตัวเองได้เฉะนั้นเราขยับไปเนี่ยถ้าขยับถูกต้องเราใจหนีไปแวบเรารู้สึกแล้ว แล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอเราตื่นขึ้นมาเนี่หลวงพ่อเตียนเนี่ยเขย่าวธาตุรู้นะเขยา่าขยับเนี่ยเพื่อจะเขย่าวธาตุรู้คือปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ใช่ให้ไปเพ่งนะไม่ใช่ให้ไปเพ่งนะหลังๆเริ่มมีการสอนนะบอกว่าสอนอย่างหลวงพ่อประโมทดีนะถูกนะแต่สูงเกินไปยากเกินไปต้องเพ่งก่อนสอนอย่างนี้นะครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนอย่างนี้มานี่เติมขึ้นมาทีหลังนะไม่ได้รักษา คำสอนแท้ๆของท่านไว้ลองขยับแล้วรู้สึกตัวสิสามเดือนได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรบางคนก็สมเดือนจริงๆบางคนก็สเดือนนะมันก็ทําได้จริงๆงั้นเราขยับจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้ขยับเพื่ออะไรเพื่อรู้ท่านจิตนั่นเองงั้นหลวงพ่อเทียนท่านสอนไม่สองคำนะสาคัญมากเลยอันแรกเลยถ้ารู้ว่าจิตคิด ถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติพอได้ต้นทางคือจิตตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านสอนต่ออีกประโยคหนึ่งเด็ดขาดมากเลยการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดไม่ใช่เพ่งจิตนะการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะจิตใจของเรานี่แหละเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าจะกุศลจะอกุศลเกิดที่จิตนี่เองกระทั่งมรรคนิพพานเกิดที่จิตนี้เอง เรียนรู้เข้ามาจนถึงจิตถึงใจถ้าไม่ยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกละเพราะจิตคือธรรมชาติที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดเมื่อไหรไม่ยึดถือจิตปล่อยวางจิตได้เมื่อนั้นจบจิตในศาสนาพุทธนะหมดทุกข์จริงๆนะหมดเด็ดขาดถาวรเลยไม่มีเสื่อมเลยไม่เหมือนอย่างฌานนะทําไปแล้วเสื่อมเพ่งเพงไม่หมดแรงเพ่งเลยกิเลสเยอะกว่าเก่าอีกเพราะนั้นหน้าที่เราค่อยๆเรียนนะค่อยๆฟัง ใจถึงๆหน่อยใจถึงๆหน่อยหลงภาพเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีกลายนี้ไปเยี่ยมหลงพ่อคำเขียนหลพ่อคำเขียนมาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรเออโรงพยาบาลจุฬาเยี่ยมท่านท่านเป็นมะเร็งให้ีหมโมีท่านบอกว่าโอ้ดีนะอาจารย์สอนเรื่องเจริญสติเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนพูดเรื่องเจริญสติละยังขยับกันอยู่งนี้เต็มบ้านเต็มเมืองนะแต่ท่านบอกไม่มีคนพูดเรื่องเจริญสติ บอกว่าเรียนกรรมฐานนะั้นมันต้องตัดตรงเข้ามาเลยนะเข้าถึงมรรคถึงผลเลยไม่ไปเอ่ยอยู่ท่านใช้คำว่าไปเอ่ยอยู่นะไม่รู้แปลว่าอะไร <c oughs> ไม่ไปเอ่ยอยู่โอ้ยอ้อมคอมนะหลวงพ่อเทียนนี่ขยับผู้ภาผ้ภาสามเดือนก็หลุดไปละนะท่านบอกหลังๆนีนะไม่มีคนพูดเรื่องสติละกลายไปสอนเพ่งท่านบอกท่านอนุโมทนากับหลวงพ่อนะ ไปไหวแล้วตอนนี้ไปไหวแล้วนะมีคนสืบทอดไปเราะงั้นต้องระมัดระวังนะคำสอนครูบาอาจารย์ที่ดีๆพอมันผ่านไปเจเนอเรชัหนึ่งสองเจเนอเรชันมันเพี้ยนไปเรื่อยๆเพี้ยนไปเรื่อยๆกรนะะทั่งคำสอนอย่างตามวัดทางอิสานแต่ก่อนนะข้าวัดไหนท่านจะสอนให้มีจิตผู้รู้ที่มีความรู้สึกตัวนั่นเองแ้นหลังๆนั้นกะ็พระเข้าไปเล่นเรื่องสมาธิกันเยอนะเพ่ง เพ่งให้นิ่งเพ่งให้นิ่งทำสมถะมันไม่เสียหายอะไรหรอกแต่ทำแนละ้วต้องเดินปัญญาได้ต้องออกมารู้กายรู้ใจได้ถ้าทิ้งการเจริญสติรู้กายรู้ใจล้วก็คือทิ้งกรรมฐานไปแล้วทิ้งวิปัสสนาละเหลือแต่เพ่งเนี่นเราต้องคอยรู้สึกนะหัดรู้สึกมาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยไม่ได้เรียนเรื่องอื่นหรอกขั้นต้นเลยเรียนให้รู้สึกตัวก่อนพอรู้สึกตัวเป็นแล้วถึงจะมาเรียน รู้กายยังไงถึงจะถูกต้องรู้จิตยังไงถูกต้องมีสองงานเองมีกายกับจิตเท่านั้นแหละเราก็คอยรู้กายคอยรู้จิตอย่างถูกต้องนี่ขั้นแรกเลยต้องรู้สึกตัวให้เป็นต้องมีสตินั่นเองสติไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เกิดสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ถ้ามีเหตุสติถึงจะเกิดนะเหตุของสติคือจิตมันจาสภาวะได้เงั้นเบื้องต้นเราทากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ อย่างท้าสายหลวงพ่อเทียนก็ขยับมือดีนะมันไม่หลับดีขยับอย่างนี้มันถ้าหลับเมื่อไหร่เคลิอมเมื่อไหร่มันขยับผิดนะโยเว้นพวกขยับจนเข้าไขสันหลังลล้วขยับถูกนะละมือก็ขยับได้นะนี่ขยับเข้าไขสันหลังไปแล้วจิตใจหนีไปไหนก็ยังขยับถูกอยู่อย่างนั้นใช้ไม่ได้นี่เบื้องต้นที่ทําให้ถูกนะขยับไปรู้สึกตัวขยับนะพอขยับไปแล้วหัดดูสภาวะ ไม่ใช่ขยับเพื่อจะขยับนะไม่ใช่ขยับแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานนะขยับยังไงก็ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานหรอกนะไม่งั้นจราจรไปก่อนเลยใช่ไหมขยับทั้งวันอะม่เห็นมันบรรลุอะไรเลยนะมันไม่ได้อย um ู่ที่การขยับมันอยู่ที UM> ่จิตต่างหากจิตขยับไปเนี่ยจิตหนีไปเพ่งเพ่งใส่มือก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้นี่รู้ทันจิตไปเรื่อยๆขยับแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อย ถ้าจิตนี้ไปคิดขยับแล้วจิตนี้ไปคิดปุ๊บรู้สึกโอ้หนีไปละจิตจะตื่นขึ้นในฉับพลันทันทีที่จิตตื่นขึ้นเนี่ยจะเห็นเลยร่างกายที่ขยับนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวที่กําลังเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นรู ป, ปรธรรมอันหนึงที่จิตไปรู้เข้าขยับถ้าตื่นขึ้นมาแล้วจิตเกิดไปเห็นสภาวะทางจิตใจเราจะเห็นเลยเช่นความสุขเกิดขึ้นมันจะเห็นเลยความสุขไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งแปลปลอมมาช่วครั้งชั่วคราว ถ้าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเรามีสติเราตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นเลยความทุกข์ก็ของแปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตัวเรากูศนละหรืออกูศลก็แปลกปลอมเข้ามาเป็นคราวๆไม่ใช่ตัวเราอีกนะความโลภความโกรธความหลงแปลกปลอมเข้ามาเป็นคราวๆไม่ใช่ตัวเราดูลงไปเรื่อยๆนะทั้งกายทั้งใจไม่เห็นมีตัวเราตรงไหนเลยดูซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างนี้แหละเจ็วัน7เดือน7ปีเนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านเน้น3วันมีไหมหกวันได้ไหมหกวัน6เดือน6ปี ท่านมีลดลงปีหนึ่งด้วยนะงั้ครูบาอาจารย์อย่างนั้นหายากนะเรียนธรรมะของท่านถ้าส่งไว้ได้นะส่งไว้ได้มีประโยชน์มากเลยถ้าส่งไว้ผิดเนี่ยทำลายคาสอนที่ดีที่สุดอันหนึ่งไปเลยถ้าบวชแบบบูริมนะคาสอนของท่านเนี่ยสุดยอดวิทยายุทธแหนงหนึ่งเลยงันรู้สึกขยับไปใจหนีไปก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้ ใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ขยับแล้วรู้ทันใจไปจิตจะตื่นขึ้นมาพอใจตื่นขึ้นมาแล้วไม่เผลอไม่หลงไปในโลกของความคิดมันจะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตจะไม่เป็นนิ่งๆทื่อๆอยู่นะถ้าภาวนาขยับอย่างหลวงพ่อเทียนแล้วจิตทื่อๆหลวงพ่อทําหน้าให้ดูนะจิตทื่ อ, อยี้ของเก๊เก๊แน่นอนนะมันคือการเพ่ง แล้วนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งทำไมภาวนาแล้วกลายเป็นนักเพ่งไปหมดเพราะเราคุ้นเคยกัการเพ่งเราไม่คุ้นเคยกัการรู้สึกตัวตลอดเวลาในสังสารวัฏเนี่ยเราได้ยินแต่คาสอนเรื่องการเพ่งน้อยครั้งนะที่จะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้สักองค์หนึ่งแต่เมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยคำสอนเรื่องการเจริญสติ ถึงจะเกิดขึ้นมาพอหมดยุคของศาสนาพุทธทีหนึ่งคำสอนเรื่องเจริญสติจะหายไปจากโลกมนุษยนะ์จะไปอยู่ในเทวโลกในผร ม, มโลกยังมีอยู่พวกที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้พวกเทวดาพวกผลมยังบรรลุพระอรหันต์กันอยู่มนุษย์มีน้อยนะมนุษย์เหลือน้อยที่จะทำให้ได้พวกที่อินทรีกล้าไปหมดแล้วเหลือแต่พวกปอแปรปอแปะอยู่เนี่ยนะ หล <c oughs> งพ่อเคยไปทีนนะไวัดหลวงปู่สุวัตเขาน้อยมีเทพหลอันเอาเบาบางหน่อยไปแล้วก็ไปนั่งดูหลวงปู่โอ้หลวงปู่สบายไปแล้วดูญาติโยม ร, อ, มรอบตัวเรานี่เป็นสิ่งแปลกปลอมสำหรับเรา <c oughs> พวกนี้ฝึกมาคนเราุ่นกับเราไอ <c oughs> เราเนี่พวกห่วยแตกนะพวกตกรุ่น รุ่นเดียวกันเขาหลุดไปไหนหมดแล้วเราตกรุ่นอยู่งั้นการภาวนาจริงๆนะจับหลักให้แม่นนะไม่ยากเลยไม่ยากเลยพวกเรานี้จะทันรุ่นหลวงพ่อเปล่าก็ไม่รู้นะถ้ามันหย่อยใหญ่ย่อย่ยยยมันก็ไม่ทันแล้วนะ <c oughs> ใจถึงถึงนะกรรมฐานเนี่ยเรื่องของคนใจถึงจริงๆเลยต้องกล้าหารจริงๆนะต้องอดทนจริงๆนะ แต่ไม่ใช่ทนแบบบัวแบบควายนะบัวควายมันทนกว่าเราอีกแต่มันไม่บรรลุเราต้องอดทนแต่เราต้องมีสติต้องมีปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเลยต้องมีต้องพัฒนาขึ้นมาศีลก็สำคัญนะคนที่ไม่มีศีลจิตจะไม่ตั้งมั่นสมาธิจะไม่เกิดหรอกหรือสมาธิเกิดก็มาแล้วนะแล้วเสียศีลไปนะสมาธิก็จะเสื่อมอย่างรวดเร็วเลย งัสีเนี่ยเป็นเครื่องอบรมขัดเกลวให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยขัดเกลวให้เกิดปัญญางั้นแต่ละตัวมีความสําคัญทั้งนั้นนะต้องค่อย ค, อยคอยฝึกเบื้องต้นเลยรักษาศีลให้ดีไปก่อนอันที่สองฝึกจิตใจของเราให้มันตั้งมั่นให้มันตื่นขึ้นมาก่อนขยับมือไปเนี่ยจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นไงก็รู้จิตมันจะตื่นขึ้ น, นมันจะเกิดสัมมาสมาธิขึ้น จิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูพาจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสัมมาสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาจะเห็นว่าตัวที่กําลังขยับมืออยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกเหมือนหุ่นยนต์ที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นะจะเห็นในจิตใจที่กำลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทํางานของมันได้เองไม่ใช่ตัวเราเนี่อรู้ลงไปอย่างนี้นะลงในกายในใจใหเห็นไม่ใช่ตัวเราจะได้พระโสดาบันนะ จะได้พระโสดาบันพระโสดาบันคือผู้ละความเห็นผิดว่ามีตัวเราคนทั้งหลายจะรู้สึกว่ากายเป็นเราใจเป็นเรารู้สึกไหมมีเราอยู่คนมีเราแต่พอมาจเจริญส ต, สติดูออกไหมกายไม่ใช่เราเห็นละพอมีสติขึ้นมาเห็นละกายไม่ใช่เราเห็นไหมเวทนาไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราเห็นไหมกุศลอกุศลไม่ใช่เรารู้สึกไหมเห็นไหมพอมีสติพอตื่นขึ้นมามันจะเห็นว่าไม่มีเราเหรอกแต่ใจยังไม่อยอมรับนะ ยังอยากให้มีอยู่ต้องดูกันไปนานๆ น, นะสามวันสามเดือนอะไรก็ดูไปดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะใจจะหายโง่ใจจะยอมรับความจริงว่าไม่มีเราหรอกนี่ทางรอดอยู่ตรงนี้นะทางรอดการภาวนาบางทีงงคาสอนมันเยอะเหลือเกินธรรมะก็เยอะแยะไปหมดเลยจะจับตรงไหนเยอะแยะไปหมดต้องจับให้ถูกหลักนะต้องรู้หลักเลย วัตถุประสงค์ที่เราภาวนาเนี่ยเพื่อความ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นไม่ใช่เพื่อรู้เพื่อเห็นสิ่งอื่นไม่ใช่เพื่อของดีของวิเศษไม่ใช่เพื่อความสุขความสงบความสบายหรือความดีแต่เพื่อความ้นทุกข์อันเดียวนี้แหละอะไรคือทุกข์กายกับใจนี้แหละคือตัวทุกข์ต้องเข้าใจตัวนี้นะทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นทุกข์อยู่ที่กายกับใจนี้หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้กายรู้ใจรู้เพื่ออะไรเป้าหมายแรกของการรู้กายรู้ใจ เพื่อละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรานี่เป้าหมายที่หนึ่งนะละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราเพราะเรามีสติขึ้นมาเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราเห็นซ้ําไปซ้ําไปวันหนึ่งมันละความเห็นผิดได้มันยอมรับจิตมันรวมเข้าอันนาสมาธิรวมเองรวมแล้วตัดสินความรู้เองจิตถอยออกมาแล้วรู้เลยเราไม่มีละต่อไปนี้สักยัตทิฏฐิขาดเลยความลังเลสงสัยในศาสนาพุทธในเส้นทางปฏิบัติอะไรไม่มีอีแล้ว แล้วต่อไปนี้ไม่ปฏิบัติแบบรูปลุบคลำแล้วทำอย่างนี้น่าจะดีทำอย่างนี้น่าจะดีะดไม่ได้ทำอะไรดีเลยมีแต่รู้แล้วดีต่างหากนะนี่ละศิละะตาปรามาสได้ศิลร ะ, ะตาปรามาสมัคิดแต่ว่าทำยังไงเราจะดีเพราะฉั้นเราพอเราได้สวดายจริงเรารู้ทำยังไงก็ไม่ดีหรอกนะรู้ไปเรื่อยๆ อ, อย่างที่มันเป็นนี่แหละรู้จนรู้แจ้งนั่นแหละมันดีไม่มีทางที่สองเลย น, ะนี่พอเราดูกายดูใจจนละ ความเห็นผิดว่ากายกระใจเป็นเราไดนะ้ก็หมดความสงสัยในศาสนาพุทธนะแล้วก็ไม่หลงไปปฏิบัตินอกรูนอกทางอีกต่อไปแล้วนี่เป้าหมายที่หนึ่งนะละความเห็นผิดว่ามีเราเป้าหมายที่สองละความยึดถือในร่างกายนี้นะให้รู้ไปเรื่อยร่างกายที่ขยับเขยืขย้อนนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะรู้ลงไปเรื่อยเลยนะแล้วมันเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีแต่เป็นตัวทุกข์ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นทั้งวันทั้งคืนเลย จะยืนก็ทุกจะนั่งจะทุกนะจะนอนก็ทุกจะเดินก็ทุกอะไรก็ทุกหมดเลยหายใจเข้าก็ทุกนะอย่างหายใจเข้าไปเรื่อยๆทุกนะแล้วต้องหายใจออกหายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกอีกต้องหายใจเข้าอีกเนี่ยดูลงมาเรื่อยๆเลยโอ้กายนี้ทุกล้วนๆเลยไม่ใช่ว่ากายนี้ดีวิเศษ ต, ตรงไหนเลยเนี่ยเราหากดูจิตมันก็จะเห็นอันนี้นะจะเห็นอันนี้แล้วมันจะละความยึดถือกายได้ก่อนเพรละความยึดถือกายเนี่ยเป็นเป้าหมายที่สอง เป้าหมายที่ที่หละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราเป้าหมายที่สองละความยึดถือกายถ้าเราปัญญามันแจ้งขึ้นมากายนี้ตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างพวกเรารู้สึกไหมกายเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างเนี่ยเพราะเราไม่รู้แจ้งอริยสัจอริยสัจบอกขันห้าเป็นทุกข์ไม่ได้บอกว่าทุกข์บ้างสุขบ้างถ้ารู้ลงมาสิรู้ลงมามีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยเนี่ยทีแรกมันจะไปแจมแจ้งที่กายก่อนเพราะดูง่าย กายมันทุกข์ง่ายดูง่ายว่าเป็นตัวทุกข์นะพอจิตมันแจ่มแจ้งว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตจะสลัดคืนกายให้ธรรมชาติเลยคืนกายให้โลกเข้าไปไม่ยึดถือกายทันทีที่ไม่ยึดถือกายเนี่ยก็จะไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดถือตาแล้วมันก็เป็นไรมันจะไม่ยึดถือรูปถ้ามันยังยึดถือรูปอยู่มันยังชอบใจรูปอยู่มันก็ต้องชอบตาอยูนะ่นั้นมันจะไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะด้วย ไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายด้วยงั้นเวลาที่ตากระทบรูปขึ้นมาจิตจะไม่มีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นกามและปฏิฆะจะไม่เกิดขึ้นหูได้ยินเสียงไม่ยึดถือในเสียงนั้นไม่ยึดถือในหูด้วยความยินดียินร้ายในเสียงนั้นจะไม่เกิดขึ้นคือกามและปฏิฆะไม่เกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยไม่ยึดถือในกายนะ จิตจะตั้งมั่นเด่นดวงทรงตัวอยู่กับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสมาธิบริบูรณ์พระนาคามีมีสมาธิบริบูาาาบรณ์ละกามและปฏิฆะได้เด็ดขาดตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะไม่กระเพื่อมวั่นไหวยินดียินไลขึ้นมาเลยไม่มีความชอบใจหรือเกลียดชังในรูปเสียงกลิ่นรสโพธภะเลยลจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงทรงตัวอยู่อย่างมีความสุขไม่แกว่งออกทางตาหูจมูกลิ้นกายนะ ออกไปรู้เฉยๆแต่ไม่หลงยินดีร้ายใจเป็นกลางนั้นในตําราถึงบอกว่าพระอนาคามีเนี่ยมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางแค่ปานกลางนะปานกลางคือเห็นว่ากายนี้ทุกล้วนๆแล้วไม่ยึดถือกายเป้าหมายที่1บอกไปแล้วนะเป้าหมายที่หนึ่งลนะงลความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเรากายใจเป็นตัวเราเป้าหมายที่สองละความยึดถือกายเป็นพระอนาคามีนะ หมดความยินดียินร้ายในรูปเสียงกินรสโปรดทัปพระไม่มีกามและปฏิฆะเป้าหมายที่สละความยึดถือจิตถ้าละความยึดถือจิตได้จบจิตในศาสนาพุทธตรงนี้แหละนี่หลวงพ่อเทียนท่านสอนห้าวหานท่านบอกบอกการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นรัดสั้นที่สุดถ้าเจาะเข้ามาตรงนี้เลยนะแป๊บเดียวมันก็ปล่อยกายไปเลย มันเห็นว่ากายทุกร้อนร้อนเลยพวกเราจะเห็นว่ากายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่เรียกว่าพวกไม่เข้าใจศาสนาพุทธยังไม่เข้าใจแท้นะยังมีอวิชชาความไม่รู้อยู่เรียกว่าไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่าขันห้าจริงๆเป็นตัวทุกข์เราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นอยู่แค่นี้แหละ ดน้นต้องภาวนานะต้องมีสติต้องตื่นขึ้นมาให้ได้นะรู้ลงที่กายเป็นเนืองๆรู้ลงที่จิตเนืองๆจะเข้าใจกายก่อนเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็หมดความยึดถือกายไปก่อนนะกายนี้ทุกร่วนๆเลยจิตก็ปล่อยมันไม่ใช่ตัวดีเนี่ยจะไปยึดมันไว้ทําไมนะเวลาจะตายจะรู้สึกว่าตัวทุกข์จะแตกแล้วไม่เสียใจพรนะานาคามีเวลาจะตายไม่เสียใจล้ว ตัวทุกจะแตกจะเสียใจทําไมไม่ใช่ตัวดีแตกเนี่ยนี้ภาวนาต่อไปอีกจิตมันจะรวมมาอยู่ที่จิตแล้วท่านนี้จิตอันเดียวร้วนๆเลยจิตตั้งมั่นเด่นดวงมีแต่ความสุขร้วนๆเลยถ้าไม่นิ่งนอนใจนะตามรู้ตามดูเข้าไปอีกก็จะเห็นในะตัวจิตผู้รู้เนี่ยยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อีกมองได้นะ่องสายได้ก็ยังมองได้หน่อยๆสงบได้ก็ยังฟุ้งได้นิดๆ ถามว่าฟุ้งอะไรฟุ้งในกามหรือเปล่าไม่ได้ฟุ้งในกามเพราะเป็นพระอนาคามีแล้วแต่ฟุ้งในธรรมนะเพราะงั้นอุทธัจจะสังโยชนเนี่กับอุททัจจะในนิวรณ์เนี่ยไม่เหมือนกันอุทธัจจะในนิวรณ์เนี่ยมันอุทธัจจะฟุ้งซ่านไปในกามอุททัจจะสังโยชนี่ยเหมือนฟุ้งซ่านไปในธรรมเช่นอย่างคนกวัาพิจารณาธรรมอยู่จิตยังทํางานอยู่กลัวไม่หลุดพ้นกลัวงโง่ ยังแอบทำงานนิดๆเรียกว่าอุทัศจะสังโยชน์จิตพอใจในความสุขความสงบจากการเพ่งรูปเพ่งนามมีรูปประราคะอรูปประ ร, ราคะอยู่จิตยังมีความถือเนื้อถือตัวอยู่นะมองคนทั่วๆไปโอ้พวกนี้ต่ำต้อยกว่าเรามองครูบาอาจารย์ที่ท่านจบแล้วโอ้ท่านสูงเหลือเกินทำยังไงเราจะได้อย่างท่านมีเรามีเขาเทียบองนี้ยังเทียบรุ่นอยู่นะ นี่เรียกว่ามานะนะมานะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นมานะที่ว่าเรายัางไม่ดีพอจะไม่เป็นมานะในทางไปลบหลู่คนอื่นเขาหรอกจะสงสารจะเห็นใจไม่ไปลบหลู่คนอื่นนะเห็นพวกเราอย่างนี้ก็สงสารเห็นใจแต่ก่อนก็เป็นเหมือนกันแต่เกียกตะกายเอาตัวรอดจากก้นเหวขึ้นมาได้นี่แต่ความเห็นใจนะมีแต่ความรักความสงสาร แต่มีมาณาที่ว่าโอ้ครูบาอาจารย์ท่านดีท่านวิเศษเหลือเกินเราทําไงจะได้อย่างท่านจิตมันจะรู้สึกอย่างนี้งั้นมาณาของพระนาคานะมาณาที่ว่าทําไงเราจะได้อย่างท่านไม่ใช่กูเก่งกูเก่งนะนั่นมานากิเลสหนาทั้งหมดนี่รากเหง้าของปัญหาทั้งหมดคืออวิชชาสั่งยศนั่นเองความไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งคือไม่รู้ว่าตัวจิตเองก็เป็นตัวทุกข์ เราเห็นว่าตัวจิตนี้ไม่ใช่ตัวทุกรู้สึกไหมเราพานารู้สึกไหมจิตไม่ใช่ตัวทุกจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความทุกข์เพราะกิเลสที่จอนมาเป็นคลาลจะเห็นอย่างนี้ถ้าเกิดความอยากเกิดความยึดก็จะเกิดความทุกข์ไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์นี่อาวิชาล่ะอาวิชาอยู่นี่เองแต่ตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูนะไม่ย่อท้อไม่นิ่งนอนใจว่าสบายแล้ว ตามดูลงไปเรื่อยๆวันหนึ่งปัญญามันแจ้งนะมันจะพลิกตัวให้ดูเลยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนจะกลายเป็นผู้ทุกข์ล้วนๆให้ดูพอจิตมันพลิกตัวเป็นความทุกข์ปั๊บแต่เดิมนะพอจิตไหววับขึ้นมาปรุงขึ้นมาอย่างนี้หันไปดูนะความทุกข์นั้นจะดับทันทีเลยขาดสะบั้นเลยสิ่งความทุกข์นั้นเป็นแค่สิ่งแปลกปลอมเข้ามาในจิตแต่คราวนี้ไม่เหมือนคราวนั้นแล้ะคราวนี้จิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นดูยังไงก็ไม่หลุดนะ ตัวมันเป็นตัวทุกข์อ่ะเหมือนอย่างถ้าเราเดินเดินไปเราไปถูกหมามุ้ยคันใช่ไหมเราไปล้างออกก็หายคันใช่ไหมเนี่ยความทุกข์แต่เดิมเรารู้จักความทุกข์แบบหมามุ้ยนี่เองคือไปโดนอารมณ์ไม่ดีแล้วมันมีความทุกข์ขึ้นมาถ้าหนีจากอารมณ์ไม่ดีได้ก็มีความสุขละแต่คราวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันคันไม่ใช่คันแบบหมามุ้ยแล้วนะมันคันแบบหมาขี้เลื้อนคือมันคันอยู่ในตัวของมันเองอ่ะ คือจิตเนี่ยมันทุกข์อยู่ในตัวของมันเองเพราะงั้นไม่ว่าจะพามันหนีขึ้นเหนือล่องใต้นะไปอยู่สวรรค์อยู่ฟรอมโลกอะไรนะหนีไม่รอดแล้วคราวนี้เพราะตัวมันเป็นตัวทุกข์นี้มันเห็นถึงขนาดนี้นะแบบหลังชนกําแพงเลยไม่มีทางหนีไม่มีทางถอยนะแล้วความทุกข์นี่ประดังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นเลยขันนี้ตัวทุกข์จริงๆนะขันนี้เป็นตัวทุกข์ขันไม่ใช่ตัวดีขันไม่ใช่ตัววิเศษขันนี้แหละเป็นมานตัวจิต ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของเรานี่แหละคือมารนะเนี่ยมันคือมารตัวจิตเป็นมาร น, นะเรียกว่าเทวปุตตมารตัวขันเป็นตัวทุกขเรียกว่าขันธมารใจของเราก็จะดิ้นเลยคิดเลยทำไงจะพ้นได้ทำไงจะหนีได้ตรงที่คิดฟุ้งไปนี่เรียกว่าอาภิสังขารมา น, นความคิดนึกปรุงแต่งของจิต จิตใจที่ไม่ชอบความทุกข์นี่เลยใจิตใจที่เอื่อมลาใจิตใจที่อยากหนีไปเนี่ยใจิตใจนี้แทรกด้วยกิเลสนะแทรกด้วยโทสะแต่ว่ามันไม่ใช่โทสะอย่างที่เคยรู้จักละมันเป็นความเหนื่อยนายเอื่มล า, าสุดขีดเลยอยากจะไปให้ผลจะเรียกว่าโทสะมันก็ไม่เหมือนโทสะเพราะโทสะจริงๆขาดไปตั้งแต่เป็นพระนาคาแล้วแต่นี้มันเห็นเลยจิตนี้มันน่าเอื่มลาอาที่สุดเลย มันเป็นทุกข์ล้วนๆมันไม่น่ารักไม่น่าพอใจเลยนี่เรียกว่ากิเลสมานไม่ชอบมันอนะ่ะอยากจะไปให้พ้นจากมันนี่มานนะมานมานทั้งหลายแหละแล้วก็ภาวนาไปเนี่ยความทุกข์จะบีบคั้นมากขึ้นมากขึ้ น, น, นเหมือนเราจะตายเลยจิตเหมือนจะระเบิดเลยนะมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยทุกอนูของจิตเนี่ยภาวนาเนี่ยถ้าถ้าใจไม่ถอยออกจากตรงนี้นะรู้เลยเดินต่อไปอีกนิดเดียวนะ จะตายละนี่มัจจุมาลมาท้าทายอยู่ข้างหน้าแล้วนะกล้าเดินต่อไปหามัจจุมาลไหมความตายที่รออยู่ข้างหน้านี่มารห้าตัวนะมันดักอยู่ตรงนี้ก่อนหน้านี้ไม่เจอมารนะตรงที่จะข้ามพบข้ามชาติจริงๆเนี่มารมารออยู่ตรงนี้เองแต่เดิมเรียกว่ามารมารเรียกเป็นงั้นแหละมารไม่มายุ่งกับเราหรอกเพราะว่ากระจอกเกินไปแต่ตอนจะพ้นจากอานาจมานี่มารถึงจะปรากฏให้ดูนะ ตอนนี้ตัวคนเดียวล้วนๆเลยนะตัวคนเดียวลว้นๆ้นเลยไม่มีใครช่วยเราได้อีกแล้วมีทางเดินอยู่สองทางเดินไปข้างหน้าแล้วก็ตายลงถ้าไม่ตายรอดตายได้ก็บ้า่ารู้สึกอย่างนี้เลยนะถ้ารอดได้ก็บ้าถ้าถอยซะจะตกเป็นธาตของมารตลอดไปแต่ว่ามีความสุขมีความสุขอย่างโลกๆก ใ, ใจถ้าไม่ได้ฝึกอบรมบารมีให้แก่กล้านะถอยแน่นอนเลยมันเจอความทุกข์อะไรที่ใหญ่กว่า น, นี้ไม่มีอีกแล้วนะไม่เคยเห็นความทุกข์อะไรที่ใหญ่กว่าขันเลยขันเป็นทุกนะข์นะการที่เห็นขันเป็นทุกข์นี่เรียกว่าทุกขสัตว์แหะถึงตรงนี้สิ่งที่ช่วยเราได้คือบารมีที่เราเคยอบรมมานั่นเองยกตัวอย่างนะทานะบารมีเราเคยเสียสละ ย่งพระเวศสันดนสรสละตัวเองใช่ไหมสละลูกสละเมียรตรงนี้เรากล้าสละชีวิตไหมถ้าเรายังรักตัวกลัวตายเราก็จะถอยจิตออกมาแล้วก็ตกเป็นทาตของมานตลอดไปถ้ากล้ า, าหานที่จะสละชีวิตตายก็ตายเถอะบ้าก็บ้าเถอะช่างมันเถอะไม่เอาแล้วกายนี้ใจนี้นี่คือบารมีที่ยิ่งใหญ่เลยนะบารมีทานนะบารมีที่ฝึกฝนอบรมมามาช่วยเราตรงนี้เอง กล้าสละกระทั่งชีวิตตัวเองศีลบาลมีจิตใจของเราในขณะนั้นเป็นปกติได้ไหมท่ามกลางความทุกข์ที่รุมเรา้าในจิตใจเรายังเป็นปกติอยู่ได้ไหมหรือจะคลุ้มคลั่งกัดแกงออกไปละตรงนี้ขันติบารมีก็ต้องมีอยู่อดทนนะต้องอดทนให้ได้ต่อความทุกข์ที่บีบคั้นเข้ามาประดังกระดังเข้ามาทนอะไรทนที่จะไม่หนีทนที่จะไม่หนีเ ท, ท, ท่า น, นั้นเอง ตายเป็นตายนะตอนนี้มีสัจจะบารมีนะตั้งสัจจะแล้วสู้ตายก็ต้องสู้ตายนะยอมรับสภาพความจริงเลยกลายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆเลยนี่คือสัจจะนี่คือความจริงกล้ายอมรับความจริงไหมหรืออยากหนีความจริงคนทั้งหลายใจอ่อนนะชอบหนีความจริงเวลามีความทุกข์ก็หนีไปหาลมหายใจหนีไปหาท้องหนีไปหาเท้าหนีลูกเดียวไม่ยอมรับความจริงถ้าความจริงก็คือขันนี้แหละทุกข์ล้วนๆเลยกล้าเผชิญหน้ากับมันไหม เนคขมมะบารมีกล้านะสละความสุขทุกสิ่งทุกอย่างไหมต่อไปนี้นะถ้ารอดชีวิตมาก็บ้านั่นแหละเห็นไหมไม่รู้เรื่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกล้าสละไหมนะถ้าเคยกล้าสละเคยฝึกเนคขมมะบารมีมานะกล้าสละนะกล้าสละความสุขในกามปัญญาบารมีพอไหมที่จะรู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็นนะ่ จิตมันเป็นอย่างนี้รู้อย่างที่มันเป็นน่ะตามรู้ตามดูซิว่าจริงๆเขาเป็นยังไงตามรู้ตามดูลงไปแ้วมันทุกข์ล้วนๆน่ะยอมรับตรงนี้ไหมเนี่ ย, ยปัญญาบารมีนะสําคัญทุกตัวสําคัญหมดบนะารมีสิบตัวมาช่วยเราในนาทีสุดท้ายซึ่งเราตัวคนเดียวแล้วไม่มีอะไรมาช่วยเราแล้วเวลาที่เรารเผชิญกับมารถ้ากําลังพอนะถึงจุดหนึ่งนั่นมันจะอัศจรรย์มันจะหลุดออกมา จากความยึดในเกาะยึดเกาะในจิตจะสลัดจิตคืนให้ธรรมชาติไปจะไม่ยึดถือจิตเราไม่ยึดถือจิตจะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกละเพราะจิตนี่เป็นขันที่ยึดถือเนียวแน่นที่สุดหนยรักที่สุดห่วงที่สุดไปถึงพรมมโลกก็ยังยึดจิตไว้ไม่ปล่อยนะยอมปล่อยกายนะอย่างเป็นอรูปภพลมปล่อยกายได้แต่ยังยึดจิตอยู่นั้นเหนียวแน่นที่สุดเราไม่ยึดถือจิตก็ไม่ยึดถืออะไรอีก ีวันนี้หลวงพ่อมีเวลาเล่าให้ฟังพวกเราน้อยไล่จี้ส่งกันบ้านหมดแล้วทีละคนทีละคนนะต้องฝึกนะต้องฝึกต้องพัฒนาบารมีของเราขึ้นมาเรื่อยๆฝึกสติไปถ้าเรามีสตนะิเราก็เห็นความรักใคร่หวงแหนในทรัพย์สินเงินทองในตัวของเราเองในในอะไรต่ออะไรเนะี่ยมันก็จะกล้าสละได้พูดอย่างนี้ไม่ได้มาให้ต้องมายกเงินให้หลวงพ่อนะ เนี่ยเวลาพระเทศเรื่องฐานนะพระชอบเทศนะเรื่องฐานก็ได้รับประทานนะแต่ว่าฝึกของเราไว้ไม่ต้องมาให้หลวงพ่อนะไปให้ใครก็ได้นะฝึกกล้าสละความสุขความสบายของเราไหกล้าสละความอร็จอร่อยในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภพไหมนะต้องฝึกนะสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกทั้งสิ้นเลยพระพุทธเจ้าก็ฝึก ท่านถึงบอกตอนสุดท้ายใช่ไหมอาศัยบา ร, รมีนี่เองมาสู้กับมารนั่นเองงั้นในคำพีที่เขาเขียนเขาเขียนดีนะสร้างมารขึ้นมานเขาเรียกอะไรนะซิมโบโลิกเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นบุคลาที่สถานไอ้อออออมารจริงๆก็มีนะพวกมารเทวดามารเนี่ยมีอยู่ในสวรรค์ชั้นที่6พวกนี้เรียบร้อยมากเลยเรียบร้อยกว่า เทว ด, ดาฝ่ายดีอีกพวกนี้สร้างบารมีมากนะถึงได้เป็นมารพวกนี้จริงๆอยากได้พุทธภูมิแต่ขี้ฉาไม่อยากให้คนอื่นได้ก่อนมารพวกเนี้ยเขาไม่มาผจญเราหรอกกระจอกเกินไปนะเขาไว้สู้กับพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะของเราเจอมารภายในของเราเองห้าตัวนี้ก็รอด แ, แล้ว งั้นเราก็ต้องสร้างของเรานะสร้างเครื่องมือไว้วันหนึ่งจะต้องใช้ฟังหลวงพ่อเนี้ยปีนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้นะสิบปีข้างหน้าจะได้ใช้หรือชาติหน้าจะได้ใช้ฟังไปจิตใจมันจะได้รู้ร่องที่จะเดินไปข้างหน้าถ้าครูบาอาจารย์ไม่ได้ชี้ร่องไว้ให้เราเดินนี่เดินยากที่สุดเลยยากที่สุดเลยองค์ที่ท่านเดินไปได้เองที่เคยรู้มาก็มีหลวงพ่อเจียนอยงค์หนึ่ง เดินท่านไปได้หลวงปู่มั่นในกองหนึ่งท่านเดินท่านไปได้นี่ยอดมนุษย์ทั้งนั้นนะยอดมนุษย์ไม่ใช่อุลตรามแมนนะยอดยอดของมนุษย์จริงๆเลยอัศจรรย์เลยท่านเหล่านี้นอกนั้นขนาดที่ท่านบอกให้เดินตามนะอยังออกนอกลูนอกทางเลยตุปัดตุเป๋ท่านบอกขยเยาวธารู้กูก็จะเพ่งแถมบอกอีกต้องเพ่งก่อนหลวงพ่อเทียนบอกไม่เอาสมร t h แต่ต้องบอกต้องเพ่งก่อนลูกศิษย์หลวงพ่อคาเขียนท่านถึงบนว่าไม่มีคนค่อยพูดเรื่องเจริญสติแล้วตอนนี้มันอ้อมนะออมคล้อมเสียเวลาท่านบอกท่านอนุโมทนาหลวงพ่อเลยพอพูดนี้นะเข้าเป้าเลยเข้าถึงมรรคถึงผลเลยมันต้องอย่างนี้สิท่านบอกท่านไปพูดเรื่องเจริญสติสติที่ไหนจำไม่ได้แล้วท่านเล่าให้ฟังพอเทศจบนะคนไปว่าท่าน ทำไมท่านไม่สอนศีลสมาธิปัญญาท่านต้องสอนศีลก่อนสิทำไมท่านมาสอนสตินี่ท่านหัวเราะนะหลวงพ่อคำเขียนบอกมันก็ถูกของเขานะแต่มันถูกแบบของเขา <c oughs> ถ้ามีสติมันก็มีศีลมีสติมันก็มีสมาธิมีสติมันก็มีปัญญานะมีสติมันก็ละชั่วมีสติมันก็ทำดีมีสติมันก็จิตใจผองแผ้วหลุดพ้ น, นตอนอย่างนี้ ไหวไหมเราสู้ไหมสู้ไหม <S <S ค่อยๆดูเรานะดูใจของเราไปมีสติสํารวจจิตใจของเราไปเรื่อยเลยมันไปติดมันไปคล้องอะไรนะค่อยเรียนรู้ไปมันไปติดสมถะก็รู้ทันมันไปทําไมต้องติดสมถะเพราะว่าอยากดีอยากดีอยากสุขอยากสงบก็ไปติดสมถะกันมันไปติดกิเลสเพราะอะไรเพราะว่าเห็นโลกเียงาเ็ดอร่อยอยู่ให้สํารวจใจของเราอย่างซื่อๆนะ ตามองเห็นเห็นสาวมาใจมันชอบหรือสาวสาวเห็นหนุ่มมาใจมันชอบรู้ทันใจของเราเหยบมัวไปดูหนุ่มดูสาวมันนะเราไปดูแต่เปลือกมันไม่ได้เห็นเนื้อในมันนะเนื้อในมันน่าเกลียดนะอยิ่งถ้าเห็นนิสัยมันนะกินไม่ลงเลยมันขี้ทั้งตัวเลยนะขวดเราอะมันไม่ใช่วิเศษเลยดูเข้าไปนะเข้าไปค่อยฝึกมันจะค่อยพัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันนะ รู้สึกตัวมีสติขึ้นมาทํากรรมฐานนันหนึ่งขยับไปก็ได้พุทโธก็ได้อะไรก็ได้เหมือนกันหมดอะใจลอยไปแล้วรู้ใจลอยไปแล้วรู้เพ่งไว้ก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศลอกุศลก็รู้อยู่ตรงนี้เองฝึกอย่างเนี้ยฝึกทุกวันแลสติจะเกิดขึ้นมาก็จะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เรานี่เป้าหมายที่หนึ่งเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆเลยปล่อยวางกายได้เป็นเป้าหมายที่สองเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเลย ปล่อยวางจิตได้เป้าหมายที่สามรู้แจ้งอริยสัจนะรู้แจ้งอริยสัจคือรู้แจ้งทุกทุกขคือกายกับใจเห็นล้กายกับใจนี้ทุกล้วนๆ้วนะถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจยังเวียนว่ายตายเกิดนะถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอริยสัจเป็นธรรมที่อัศจรรย์ที่สุดเลยเวลาภาวนาบางครั้งภาวนาไปนะจิตมันปล่อยวางนะว่างไปหมดเลย รู้สึกมากสบายสบายหลายๆวันไม่ใช่อีกละรู้สึกไม่ใช่อีกละจิตก็มาตั้งหลักใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่รู้กายรู้ใจไปแล้วฟุ้งซ่านทําความสงบเข้ามาสงบแล้วรู้กายรู้ใจไปเดี๋ยวว่างอีกแล้วถ้าจะดีคราวนี้ถ้าจะจริงรู้ไปดูมาไม่ใช่อีกละจิตใต้สํานึกนะี่มันจะบอกว่ายังมีอะไรบางอย่างที่ยังขาดอยู่มีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้จามใดที่ยังไม่รู้สิ่งนี้นะ ก า, าการทํางานการดิ้นรนของจิตจะไม่เลิกหรอกหยุดชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ทําใหม่มันจะรู้สึกอยู่เลยลึกๆอ่ะรู้สึกว่าเรายังขาดอะไรบางอย่างแต่ว่าคืออะไรไม่รู้นะที่ขาดอยู่ถ้ารู้มันก็ง่ายสินี่มันไม่รู้หรอกมันก็คลําไปเรื่อยนะลองผิดลองถูกคลําไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งมันจับใต้ถูกหลักของมันนะที่หลวงพ่อเตียนบอกเหมือนกับคลาในห้องมืดอนะ่ะไปถูกสลักของมันเข้าสิ่งที่เราไม่รู้ก็คืออริยสัจนั่นเอง เราไม่รู้แจ้งอริยสัจนี่เราไม่รู้แจ้งในกองทุกข์นั่นเองถ้ารู้แจ้งในกองทุกข์ปุบจิตสลัดทิ้งเลยพ้นตรงนั้นเลยงั้นรู้รู้ทุกข์เมื่อไหร่นะสมุทัยคือตัณหาทุกล่อัตโนมัติเลนินินนโรธหรือนิพานปรากฏต่อหน้าต่อตาอัตโนมัติเลยนิพานไม่เคยหายไปไหนเลยเนะี่ยปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานนะมณสิการถึงเมื่อไหร่ก็เห็นอยู่เลยนะแต่นิพานไม่ใช่โลกใสใสนะเมื่อเช้านี้ใครไปละอยู่กับโลกใสใส โรคสสๆไม่ใช่นิพพานนะหมดอย่างมีโยมจะถามอะไรไหมเชิญไม่มีเดี๋ยวจะไปคุยกับพระละวันนี้ขอกราบนมัตการถามเจ้าค่ะเมื่อกี้ลุงพ่อบอกว่ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยจะเห็นต้นทางของลุงพ่อเทียนบอกลุงพ่อจำท่านมาเจ้าค่ะรู้เนี่ยคือระหว่างตรงนั้นเนี่รู้ช่วงว่างระหว่างอารมณ์หรือว่ารู้ขนาดที่ มันอยู่ในในนอย่างนี้จิตเนี้ยนะแอบไปคิดจิตตอนแอบไปคิดเนี้ยยังรู้ไม่ได้นะพอมันคิดไปแล้วสมมติว่าคิดไปหนึ่งนาทีหรือห้านาทีหรือสิบวินาทีอะไรมันคิดอยู่ยังไม่ทันเลิกนะสติเกิดะระลึกได้ว่ามันมันไปคิดอยู่เป็นการตามะระลึกตรงนี้แหละเรียกว่ารู้ออ๋ตรงนี้นะมันจะเป็นการตามรู้เช่นเราเผลอมาห้านาทีแล้วคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเกิดะระลึกได้ว่าเอ้ยหลงไปคิดอยู่เนี่ย ขนาดนี้เรียกว่ารู้จิตจะตื่นขึ้นชั่วขณะนะสั้นๆตื่นแวบเดียวเดี๋ยวนี้ไปคิดใหม่นี้ไปคิดใหม่รู้ใหม่มันก็จะเป็นเผลอไปแล้วก็รู้เผลอไปนะเผลอยาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็รู้เล็กๆเผลอยาวๆรู้เล็กๆพอรู้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นมันเหมือนจะรู้ต่อเนื่องจริงๆไม่ได้ต่อเนื่องหรอกมันรู้ถี่ๆความเผลอเนี่ยจะแคบลงแคบลงนะความรู้สึกตัวบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น แล้วก็เราไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้รู้สึกตัวตลอดเวลาด้วยเราฝึกเพื่อประเดี๋ยวก็เผลอประเดี๋ยวก็รู้ประเดียเเด๋ยวก็เผลอปเดี๋ยวก็รู้ฝึกเอาแค่นี้แหละเพื<งาน>่อจะได้เ<ง>ห<าน>็<งา>นว่าจิตที่เผลอนะเราก็ห้ามมันไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนะรักษาไว้ก็ไม่ได้งั้นจิตที่เผลอซึ่งเป็นอกุศลกับจิตที่รู้สึกตัวที่เป็นกุศลเนี <tal ank> <l ain> um ่ยเกิดแล้วดับเหมือนๆกันไม่ยึดทั้งคู่เลยขณะขณะที่รู้ว่าลักษณะที่จิตเขา ไปคิดเนี่ยแล้วก็ดูเขาอยู่เนี่ยแล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็หยุดไปอย่างเงี้ยอย่างนี้จะถูกไหมเจ้าค่ะเขาหยุดคิดเจ้าค่ะเขาหยุดคิดทันทีเลยเจ้าค่ะเขาคิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะรู้มันก็ไม่คิดเจ้าค่ะอถูกต้องที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่ของโยมมันยังเพ่งเกินไปนิดนึงยังติดเพ่งอยู่นิดนึงเจ้าค่ะอ่ะมีไหมโยมอ้าวอุ๊ดด็อกเตอร์ออ่ะ อะไรน ะ, ะไ่นเลยอ๋อแนบไปแล้วไงเราไปทําเอานะ <c oughs> อะไรจะสําคัญเท่ากับว่าเผลอไปคิดแล้วรู้ทันเผลอไปคิดแล้วรู้ทันนะฝึกไปตรงนี้นะในสุดจิตเราจะเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเลยจิตจะเผลอห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไม่ได้ทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไป ภูมิรู้ตรงนี้คือภูมิรู้ของพระโสดาบันงั้นะจุดหมายแรกเลยต้องมาตรงนี้ว่าไงอุอ้ยมั น, ม, นมันก็ยังมีบางทีที่ยังติดติ ด, ตดที่เป็นมันเหมือนอย่างติดอะไรสว่างสว่างร้อยแปะอะไรเย้าแน่แหละยังติดอยู่ขณะนี้ก็มีมันมันติดอยู่เนี่ครับก็เห็นมันเกิดจากความจงใจปฏิบัติ เพราะงั้นเวลารู้เนี่ยให้มันรู้ขึ้นเองอย่าเจตนารู้คือก่อนที่เราจะรู้สึกตัวเนี่ยอย่าจงใจรู้ให้มันรู้เองระหว่างรู้อย่าถลำลงไปในการรู้ให้ดูอยู่ห่างๆดูเหมือนคนวงนอกรู้แล้วไม่แทรกแสงเพราะงั้นก่อนจะรู้นะไม่ได้จงใจรู้ให้มันรู้เองระหว่างรู้อย่ากระโจนลงไปอย่าไหลเข้าไปอย่าถลำลงไปส่วนใหญ่ที่ดูนะถลำทั้งนั้นแหละ ถลาลมลงไปแช่อยู่นานเลยแม้เห็นไตร ล, ลักษณ์หมดเลยแล้วบอกทำไมไม่บรรลุมรรคผลสทีไม่บรร้หรอกจิตไม่มีแรงจิตไม่ตั้งมั่นจิตมันถูกกิเลสลากาไปอยู่ใต้เหวแล้วพอรู้แล้วก็อย่าไปแทรกแซงมันรู้ทุกอย่างตามที่เป็นแล้วจบลงที่รู้เนี่ยก่อนทำใช่ไหมระหว่างทำหลังทำก่อนทำอย่าจงใจทำไม่ใช่เอาละต่อไปนี้ได้เวลาปฏิบัติลวไหนดูซิมีอะไรให้ดูคราวนี้จะแว่งแล้วใช่ไห จะสายหาแล้วว่าจะดูอะไรดีจะสายสายพอไปเจอไอ้นี่เข้าเพ่งแหลกเลยคราวนี้ถลําลงไปดูเห็นไหมถลําลงไปล้วพอดูไปแล้วเอ๊ะนี่ไม่ดีอยากให้มันไปไอ้นี่ดีอยากให้เอาไว้เห็นไหมมันผิดทั้งสามการเลยพอบอกว่าสภาวะที่มันกระจายกระจายหมายความว่ามันไม่ได้โฟกัสตรงไปอันใดอันหนึ่งมันไม่ได้ถลําลงไปอันนั้นแต่ว่ามันลอยลอยมันไม่ตั้งมั่นมันลอยลอยมันลอยลอยอยู่มันลอยไปไม่ตั้งมั่น จริงๆมันต้องตั้งมั่นแต่ไม่ใช่ไปตั้งไว้ที่อันใดอันหนึ่งตั้งคือไม่ลอยไปไม่เผลอไปไม่ลลงไปแล้วก็ไม่ได้จงใจตั้งแถ้าจงใจตั้งจะแข็งแข็งแน่นแน่นอามีอีกไหมมีอีกไหมอ้าวในยา น, นิดช่วยช่วยหน่อยยอมมาขนาดนี้ดีนะมากกว่านี้ไม่ดีหรอกเพราะว่าคืออย่างของนิดเนี่ยมันยังเห็นใจที่อยากอยากจะช่วยคนอื่นอยู่เหมือนกันนะ คือถ้าไม่ได้ทําแล้วมันทําอะไรสักนิดนึงก็ยังดีอย่างเงี้ย น, นะคะมันแล้วมันจะยิ่งแยกลงไปเรื่อยๆไหมคะตอนนี้แยกจิตตอนนี้เป้อแป้ไปแล้วะพอรู้สึกว่าพอช่วงหลังนี้อยู่บ้านนะคะตั้งใจว่าจะภาวนามากแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทํากุศลอะไรมันเลยเป้อแปะเพราะจุดนี้หรอคะมันมันโรคติดบุญ <laughs> <laughs> แล้วถ้าไปทํามันก็ยิ่งทําให้เรา ทำแล้วมันทําให้เราฟุ้งซ่านใช่ค่ะงั้นก็ไปทําแต่มีลิมิตทํานิดเดียวทําพอให้ใจสบายใจแต่ว่าไม่แน่นะออกไปยุ่งกับคนอื่นอาจจะได้บาปพขได้นะเอตอนนี้มันไปไยุ่งกับคนเนี้ยบางทีมันได้ทั้งบุญทั้งบาปพยายามทําแบบไม่ต้องยุ่งทําแบบอยู่เบื้องหลังอะไรประมาณเนี้ยค่ะือทําอยู่เบื้องหลังอะไรประมาณก็ทําเท่าที่ทําได้ ได้นะคะแต่ยเยอะน ะ, ะได้ ย, ยุ่งกับคนนะทำงานที่ไม่เกี่ยวกับคนได้ยุ่งดีค่ ะ, คะพยายามทำแบบนั้นค่ ะ, ะมีไหมหนึ่งสองสามไปเชิญกลับบ้านไป